ตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธรมาสังถาราอปมาเทนะสัมปเทถะอายังตถาคตัสสะปัจฉิมพุทธวัตพุทโวจติ บันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อประกอบบุญกิริยาที่สาวชุชนทั้งหลายได้มากันในวันนี้นะเพื่ออุทิศบุญกุศลนะให้แก่คุณแม่สุ ก, กันอ่อนตาซึ่งได้ร่วงลับดับขันไปการที่พวกเรามาพร้อมกันในวันนี้นะถือว่าเป็นการมาบาเพ็ญหน้าที่ ต่อผู้ที่ลงลับผู้ที่ลงลับนั้นเนี่ยเมื่ อ, อยังมีชีวิตยอยู่หน้าที่ของลูกหลานก็คือดูแลนะอุปถัมภ์บำรุงท่านแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของท่านเพื่อความสุขความเจริญของตนเองและเพื่อความสุขใจของท่านครั้นท่านได้ร่วงลับดับไป หน้าที่ของผู้ที่ยังอยู่ไม่เฉพาะลูกหรือหลานเท่านั้นแต่รวมถึงวิสาหายและวิสาสิกชนคนรู้จักก็คือการอุทิศบุญกุศลให้กับท่านอันนี้เป็นประโยชน์ต่อดวงวิญญาณของท่านส่วนสรีระของท่านนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่จะช่วยกันปรงช่วยกันรับผิดชอบนะ ด้วยการามาบำเพ็ญชาปนกิจศพในวันนี้วันนี้เราได้มาบำเพ็ญหน้าที่ต่อท่านทั้งในทางสรีระคือร่างกายแล้วก็ต่อดวงวิญญาณของท่านอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาพร้อมใจกันในวันนี้นอกจากมาบำเพ็ญกุศลให้กับดวงวิญญาณของท่าน แล้วและบำเพ็ญการปร่งศรีละของคุณแม่สุกันแล้วจะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้ใช้โอกาสนี้มาทําบุญให้กับตัวเองด้วยการทําบุญให้กับตัวเจ้าของทําได้หลายอย่างเช่นการทําบุญเลี้ยงพระการถวายสังฆทานนะการรักษาศีลซึ่ง เพิ่งได้ทำกันเมื่อสักครู่แต่จะดีกว่านั้นถ้าว่าเราเปิดตาเปิดใจรับสัจธรรมสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตนั้นเนี่ยดีที่สุดเนี่ยไม่ได้มาจากการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ความจริงที่ดีที่สุด ที่แสดงตัวเด่นชัดที่สุดนะก็คือความจริงที่คุณแม่สุ ก, กันได้กําลังแสดงให้เราดูในบัดนี้อ น, นี่เป็นความจริงที่ชัดเจนที่สุดนะแล้วก็ประเสริฐให้เราเปิดตาเปิดใจนะรับรู้ธรรมะที่คุณแม่สุ ก, กันกําลังแสดงให้เราอยู่ตรงฝั่งนี้นะ ผมอาจจะฟังอาตมาตาอาจจะมาดูที่อาตมานะแต่ว่าใจเนี่ยนะขอให้ไปเปิดรับนะตรงที่เมตนั้นเนี่ยนั่นแหละคือความจริงที่คุณแม่สุกันกากลังแสดงเป็นความจริงที่หนักแน่นนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่อาตมาพูดหลายคนอาจจะคัดค้านได้ว่าไม่จริงนะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่สุกันแสดงให้เราเห็นไม่มีใครคัดค้านได้ เป็นความจริงอย่างแน่แท้ว่าคนเราทุกคนสักวันหนึ่งก็ต้องตายไม่ว่าจะเป็นใครเป็นครูเป็นพระเป็นคนรวยเป็นตำรวจเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีปลายทางของชีวิตเนี่ยก็คือเมนนะทุกคนเนี่ยมีปลายทางอยู่ตรงเมนนะ อาจจะไม่ใช่เมนที่นี่แต่ว่าก็ล้วนแล้วแต่ต้องมาจบลงที่ตรงนั้นทุกคนนี่คือความจริงที่เราจะต้องพิจารณาใคร่ครวนมางานศพทั้งทีนะก็ขอให้ได้ธรรมะข้อนี้ไปอย่างน้อยก็หนึ่งข้อว่าคนเราทุกคนในที่สุดก็ต้องตายไม่ว่า รวยไม่ว่ายิ่งใหญ่ไม่ว่าสวยหรือหล่อแค่ไหนสุดท้ายก็มีเมร์เนี่ยนะเป็นปลายทางของชีวิตเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วนะก็ต้องถามตัวเราเองว่าทุกวันนี้เราพร้อมนะที่จะยอมรับความตายของเราหรื อ, อยังหรือผู้อี่านนก็คือว่าเราพร้อมที่จะตายหรื อ, อยัง บางคนอายุหกสิเจดสิบแล้วก็ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าฉันพร้อมจะตายหรือเปล่าแต่ที่จริงคําถามนี้มันเป็นคําถามที่ต้องถามทุกคนแม้จะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ต้องถามว่าวันนี้ฉันพร้อมตายหรื อ, อยังเพราะว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว แม้เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือแม้เป็นเด็กก็อย่าคิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวถึงแม้เป็นเด็กนะก็อาจจะตายได้ถึงแม้เป็นหนุ่มก็อาจจะตายได้นะไม่ใช่ว่าความตายมันเป็นจุดจบของคนแก่คนชราเท่านั้นมีคำพูดนะเป็นภาษิตของชาวพุท ธ, ธิเบสว่าไม่มีใครรู้หรอกว่า พรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่ามีพรุ่งนี้ก่อนจึงจะมีชาติหน้าคนที่คิดแบบนี้ถือว่าประมาทถือว่าไม่เข้าใจความจริงของชีวิตมีหลายคนในโลกนี้ที่วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเขาอาตมาก็ประมาณประมาสาน่าห้าหมื่นคนที่วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเขา พ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยบางคนนะก็อาจจะตายในค่าคืนนี้หรือบางคนอาจจะตายในขณะที่อาตมากำลังแสดงธรรมอยู่ก็ได้อาตมาเคยไปเทน ง, งานศพที่ท่ามาไฟหวานนะเทไม่ทันจบเลยนะก็มีโยมคนนึงหัวใจวายนะคางานเลยนะทางที่ตอนนั้นก็เพิ่งพูดว่าคนเรานี่ตายได้ทุกเมื่อนะอย่าไปคิดว่า ครุงนี้อาจจะตายเพราะวันนี้คืนนี้อาจจะตายก็ได้ทั้งนี้เพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงสังขารเป็นของไม่ยั่งยืนอย่างที่พระธิจารได้ตัดเป็นปัจชิมโอวา่าซึ่งอัตมาได้ยกขึ้นมาเป็นนิเคป บ, บทนะก่อนที่จะแสดงธรรมเมื่อสักครู่ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม หรือบางทีก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นพระวาจามีในครับสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นธรรมะที่คุณแม่สุขกรรันก็กําลังแสดงให้เราฟังเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาและมีความตายเป็นที่สุดเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่เที่ยงเราจะต้องตายอย่างแน่นอนสิ่งที่เราควรทําในฐานะเป็นชาวพุทธ แล้วก็ผู้ที่มีสติปัญญาก็คือไม่ประมาทจะต้องเร่งทำความดีเพราะความดีหรือบุญกุศล น, นั้นเนี่ยเป็นเสเบียงนะที่คอยเลี้ยงให้เรามีความสุขในปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นสเบียงที่จะเลี้ยงให้เรามีความสุขในพบหน้าคนเราถ้าหากว่าตระหนักอยู่เสมอว่า เราอาจจะตายวันนี้วันพรุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายังมีลมหายใจนะเรายังมีกำลังวางชายังมีสุขภาพดีก็ต้องเร่งทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากเกิดมาทั้งทีก็ควรใช้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้ทำความดีเพื่อให ชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายแม้แต่ต้นไม้หนึ่งต้นเกิดมาก็ยังทําประโยชน์ให้กับโลกคายน้ําทําให้เกิดฝนบํารุงดินช่วยทําให้เกิดความสมดุลในระบบธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายก็ยังมีประโยชน์แล้วก็ที่จริงก็มีประโยชน์ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิต แม้แต่มดแต่ละตัวแต่ละตัวก็มีคุณค่าเพราะเขาช่วยทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปได้นะอย่างสมดุลแต่คนเราถ้าเราไม่ทำความดีเราก็จะเป็นภาระเป็นผู้ที่ลกรคนะชีวิตที่เราเกิดมาก็กลายเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าวันนี้ไม่ทำความดีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความดีคณเดียวกันเราไม่ได้ทำความดี เพื่อให้ชีวยเรามีคุณค่าเท่านั้นเราทำความดีเพื่อไปการเตรียมตัวสู่ความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนเราเนี่ยเมื่อจะตายเนี่ยนะเราต้องคิดก่อนว่าเราควรจะตายดีคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้คิดนะเรื่องการตายดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ว่าการอยู่ดีอยู่ดีมีสุขนะแต่ว่าไม่ค่อยคิดถึงเรื่องการตายดี แต่เรามางานศบทั้งทีก็ให้นึกถึงนะว่าชีวิตเราเนี่ยในเมื่อจุดหมายปลายทางคือความตายก็ควรจะตายดีและการตายดีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะเราทาความดีในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ความดีที่เราทำนะจะทำให้ในเวลาที่เราตายเนี่ยไม่ทุกข์ทรมานกูเจ้าจัดว่า บุญย่อมทาให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตหลายคนเวลาตายเนี่ยหรือนึกถึงความตายของตัวก็อยากจะตายดีนะตายสงบการตายดีตายสงบจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะหนึ่งเราทําความดีเราสร้างบุญสร้างกุศลในทางตรงข้ามถ้าเราทําชั่วทําบาปมันตายดีได้ยากนะถึงแม้จะรวยแค่ไหนก็ตามเพราะว่าความชั่วหรือบาปที่ทํา หากว่ามันไม่ส่งผลในวันนี้มันไม่ส่งผลในขณะที่ยังมีกําลังวังชามันก็จะไปส่งผลในเวลาที่กําลังจะตายเช่นพอใกล้ตายเนี่ยก็นึกถึงบาปที่ได้ทําไว้ก็เกิดความพิทกเกิดความกลัวเกิดความกระวนกระวายเพราะว่าบาปที่ทําไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแม้ไม่มีคนเห็นมันก็อยู่ที่ใจ เวลาจะตายบาปมันก็แสดงตัวออกมาเช่นเป็นภาพนิมิตบางคนนะมีพระรูปนึงนะมาบวชตอนแก่แล้วก็พ อ, อป่วยหนักใกล้มรณาภาพก็มีพระช่วยกันดูแลช่วยกันบอกทางให้ระลึกถึงพระผุปพักทำประสงค์แต่ว่าพระรูปนี้เนี่ยได้แต่ร้องครวญครางด้วยความกลัวด้วยความทุกข์ ธรรมะที่เพื่อนพระนี่พูดไม่สามารถจะเข้าไปสู่ในจิตใจได้เพราะว่าในจิตใจของภาพรุมนั้นเนี่ยเห็นคนที่ตัวเองเคยฆ่ามาหลอกหลอนคือเคยฆ่าคนสมัยเป็นคารว่าแล้วก็มาบวชพระคนตายนะในร่างกายเนี่ยจะกลายเป็นเอ่อเป็นเท่าเป็นอังคารไปแล้วนะ แต่บาปที่ทําไว้เนี่ยมันก็สามารถจะมาหลอกหลอนคนที่กระทําบาปนั้นได้ก็เวลาตายก็เลยตายไม่สงบอีกคนนึงนะก็อยู่กรุงเทพชอบชนไก่นะสมัยก่อนนี่บ่อนไก่ที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นบ่อนไก่จริงๆนะก็คือเป็นแหล่งไก่ชนและโยมคนนี้แกก็ทรมานไก่มากนะ เวลาจะตายเนี่ยแกก็เห็นไก่ที่ตัวเองทรมานเนี่ยมาหลอกหลอนแล้วก็มือนี่นะก็เอามือชนกันมาเนี้ยร้องเป๊กพ่อเป๊กพ่อเป๊กพ่อนะตอนชนไ ก, ก่ก็ร้องเป๊กพ่อเนี่ยตอนจะตายก็เป๊กพ่อเหมือนกันนะเอามือชนจงกระทั่งเนี่ยกระดูกแตกเลยนะเลือดไหลก็ยังไม่หยุดนะจนตายนะอย่างนี้เรียกว่าตายดีไหมนะ นี่เพราะว่าทรมานสัตว์นะังั้นคนเราเนี่ยหากว่าทาชั่วแล้วเนี่ยแม้รอดพ้นกฎหมายนะรอดพ้นตำรวจได้นะแต่มันไม่อาจจะหนีกฎแห่งกรรมได้เวลาจะตายก็ทุกทรมานนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันระลึกถึงความชั่วที่เคยทำนะหรือบาปที่เคยบำเพ็ญก็ทำให้ตายไม่ดี อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยทำชั่วนะจะมีศีลที่ดีก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางขณะที่ตายเนี่ยจิตมันมีความอะไรอาวรมีความหวงมีความรู้สึกผิดก็อาจจะทำให้ตายไม่ดีได้ในสายพุทธการมีพระรูปหนึ่งนะท่านได้จีวรใหม่มาพี่สาวถวาย สมัยพุทธกาลเนี่ยจีวรเป็นของหายากนะพระรูปไหนได้จีวรก็จะรู้ก็เรียกว่าถือว่าเป็นเป็นลาบเปนประเสริฐนะท่านก็ดีใจเพราะเป็นจีวรเนื้อดีแต่ว่าไม่ทันได้ครองจีวรก็มรณภาพตอนที่มรณภาพเนี่ยจิตของท่านเนี่ยก็นึกถึงจีวรนั้นด้วยความห่วงหาอาลัยบอกบว่าพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเลนในจีวร อยากได้จีวรห่วงจีวรนะับก็เลยได้อยู่ใกล้จีวรจริงๆนะเป็นเลนนะแต่ว่าความดีที่ได้ทำในภายหลังก็ส่งผล น, นะเป็นเป็นเลนได้เจดวันนะความที่ความดีที่ได้ทำสอยเป็นพระก็หลรงส่งให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ในสายพุทธการเช่นการมีพราหมณ์คนหนึ่ ง, งชื่อโทนนะัพรามเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ตอนจะตายเนี่ยก็ห่วงทรัพย์สมบัติ ตัดใจไม่ได้รู้สึกเสียดายที่จะต้องทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ตายเนี่ยนะก็ปรากฏว่าไปเกิดในท้องของหมาที่เลี้ยงในบ้านก็เป็นการว่าได้อยู่ใกล้ทรัพย์สมบัติที่ตัองหวงแหนไว้นะแต่ว่าอยู่ในรูปของสุนัขนะซึ่งเรียกว่าเป็นคติเป็นทุกคตินะอันนี้เพราะความหวงความหวงแต่นอกจากความหวงหรือความหวงแล้วเนี่ย อ า, ารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็มีนะเช่นความคับแค้นความรู้สึกผิดอย่างนางมาริกาเทวี TV, เป็นเมเหศีพระเจ้าปอร์เซนที่โกศลเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีศีลแต่ว่าตายเร็วอายุ20่ปลายปลาย30ต้นต้นๆการที่ยังสวยนะก็เกิดสิ้นชีวิตกระทันหันตอนที่ตายเนี่ยก็นึกถึงความผิดที่ได้ทาไว ก็คือไปโกหกเขาจะปกกระสเสนี่โกศลในเรื่องที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรเท่าไหร่นะจิตใจเศร้าหมองบอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเมื่อเป็นจิตที่เศร้าหมองพอตายปุ๊บก็เลยไปเกิดในนรกเลยแต่ว่าความดีที่ได้ทำนะก็ส่งผลตามมาอยู่ในนรกได้เจ็วันก็ก็ได้ไปไปเกิดในสวรรค์มันจะมีเรื่องราวอย่างนอย่างนี้เยอะนะในพระไตรปิฎก หรือแม้ในเรื่องราวรุ่นหลังเช่นพระเจ้าอาโศกนี่พระเจ้าอาโศกนี่ก็เกิดหลังพุทธกาลประมาณ300ปีเป็นคนที่ทําให้พุทธศาสนาแพร่หลายนะเจะริ์รุ่งเรืองในประเทศอินเดียเป็นคนที่ฝ่ายในการทําบุญทํากุศลมากทําตั้งแต่หนุ่มนะจนกระทั่งแก่ทําไปทำไ ป, ำไปจนกรทั่งทรัพสมบัตินี่ไม่ค่อยเหลือแล้วแล้วก็ต่อมาก็ล้มป่วยล้มป่วยก็ยังอยากจะทําบุญอีก นะแต่ว่าพระคลังเนี่ยทรัพย์สมบัติในพระคลังมันเหลือน้อยแล้วเสนาบดีก็เลยนะให้แบบจํากัดจําเคียร์ตอนหลังก่อนจะตายเนี่ยนะก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติมาทำบุญแต่ว่าทรัพย์สมบัติในท้องพระคลังไม่เหลือแล้วนะมีนิดเดียวพระเจ้าโศกก็ไม่พอใจนะรู้สึกขับแค้นใจว่าทําไมนะเสนาบดีไม่ให้ความร่วมมือเสนาบดีก็ให้นิดหน่อยนะ ขับแค้นใจสมัยที่เป็นพระราชาเป็นจกกักรพรรดินี่ยิ่งใหญ่มากนะแต่พอเวลาจะตายเนี่ยแม้จะของเงินเพียงเล็กน้อยเนะ่เอาไปทาบุญนะเสนาบดีก็ไม่ยอมจิตใจเศร้าห ม, มองรับแค้นก็ตายตอนนั้นพอดีนะบอกว่าไปเกิดเป็นอะไรรู้ไหมไปเกิดเป็นงูเหลือมนะพระเจ้าโสกนี่ทาบุญให้กับพระพุทธศาสนามากนะสาวอโศกที่เราเห็นตาม สังเวชเนียสถานที่จริงสังเวชชนียสถานเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยนะก็เพราะพระเจ้าอาสงนี่แหละนะเป็นผู้ที่บุกเบิกเอาไว้แต่เวลาตายเนี่ยจิตเศร้าหมองนะคับแค้นก็เลยไปเกิดในทุกติภพเป็นงูเหลือมนะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราจะตายเนี่ยนะถ้าเรายึดติดถือมั่นอะไรอาวอ์ หวงหาหรือหวงแหนเนี่ยจิตเป็นอกุศลก็ทําให้ตายไม่ดีฉันั้นถ้าเราอยากจะตายดีเนี่ยนะก็ต้องรู้จักนะรักษาใจของตัวให้ดีด้วยนอกจากการทําดีการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วนะก็ต้องดูแลจิตใจรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเพราะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, จกวางนะมันก็จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองในเวลาใกล้าตาย และถ้าเกิดว่าจิตสุดท้ายเนี่ยยังคงเศร้าหมองอยู่แล้วนะก็ไปไม่ดีในทางพุทธศาสนาถือว่าจิตสุดท้ายนี่สําคัญนะแลนะถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นกุศลก็ไปสุคติทันทีถ้าจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ไปทุกติทันทีเหมือนกันงนั้นตายดีพุทธศาสนาเนี่ยความหมายเนื้อคือว่าตายแล้วเนี่ยไปสุคติแต่ว่ากุตุชนอย่างพวกเราเนี่ย ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้นะว่าใครตายดีตายไม่ดีในแง่ที่ว่าตายแล้วเนี่ยไปสุกติหรือไปทุกติแต่ว่าการตายดีมันยังมีอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าก่อนตายเนี่ยตายก็ไม่ก็สงบไม่ทุรนทุรายนะอันนี้เราสังเกตได้นะคนที่ตายดีก็คือว่าตอนที่จะตายเนี่ยนะไม่หลงตายไม่หลงตายคือมีสติ หรือว่าไม่ทุรนทุรายคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้จะทําความดีแต่ว่าตอนจะตายก็ทุรนทุรายนะหรือว่ากระสับกระส่ายอันนี้ก็เพราะไม่รู้จกักฝ่ายไม่รู้จักวางเหมือนกันนะไม่ต้องพูดถึงคนทําบาปนะคนทําบาปเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันก็ทุรนทุรายอยู่แล้วเพราะว่าจิตหวนระลึกนึกถึงบาปที่ได้ทำเกิดกรรมนิมิตฝ่าอกุศล กรรมนิมิตก็คือนิมิตนะเกี่ยวกับการกระทําในดีที่เป็นอกุศลก็ทําใหา้ทุรนทุรายกระสับกระส่ายก่อนตายแต่ถึงแม้จะเป็นคนดีนะมีศีลแต่ถ้ า, ากว่าวางจิตวางใจไม่เป็นไม่รู้จักปล่อยวางเวลาจะตายเนี่ยก็อาจจะทุรนทุรายได้เช่นห่วงลูกนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะ ก่อนจะตายเนี่ยก็บนพูดถึงลูกคนสุดท้องเป็นผู้ชายอายุสิบขวบเพราะเหตุว่ากลัวว่าจะเจริญรอยจ ะ, จะเจริญรอยตามพี่ชายสองคนซึ่งติดยาแล้วก็ติดคุกไปแล้วนะแม่เนี่ยกลัวลูกคนสุดท้องจะติดคุกติดยาเหมือนที่ตอนที่เจ็บป่วยก็เฝ้าแต่พูดถึงลูกคนสุดท้อง จนตายบอกว่าตายแล้วเนี่ยนะอก่อนตายก็ทุรนทุรายนะตายนี่ตาก็เบิกโพรงตาค้างพยาบาลพยายามปิดเปลือกตาก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นญาติผู้ใหญ่มารับศพนะตาก็เปิดพอเห็นเข้าก็เลยจุดทู่แล้วก็บอกกับผู้ตายว่าอย่าห่วงนะลูกคนสุดท้องเนี่ยฉันจะดูแลให้พอผู้เช่นนี้เนี่ยก็ ก็ปิดเปลือกตานะบอกว่าบอกว่าคราวนี้ปิดได้นะเหมือนกับว่าทีแรกเจ้าตัวหรือผู้ตายเนะี่ยยังมีความห่วงใยลูกอยู่นะตายไปแล้วยังตายตา ย, ตายตายตามไม่หลับแต่พอมีญาติผู้ใหญ่มามารับอาสาดูแลก็เรียกว่าหมดภาระก็สามารถจะตายสงบได้บางคนเนี่ยก็ห่วงเมียนะอย่างมีลุงคนนึงเนี่ยยากจนมากเป็นพานโรง ตอนจะตายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลก็กำชับเมียว่าถ้าฉันตายอย่าไปกู้นี่ยืมสินทำงานศพนะหัวเนี่ยกลัวว่าเมียเนี่ยนะจะเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าต้องทำงานศพตัวเองเนี่ยยากจนมากไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อโงก็กำชับเมียว่าถ้าไม่มีทไม่มีเงินทำงานศพก็เอาศพที่ให้ให้บวยคริสไปเลย จะได้ตัดปัญหาก็กำชับเมียอย่างนี้แหละจนทั้งตายตายพอตายต า, ยตายก็เปิดทำยังไงตาก็ไม่ปิดนะแต่ว่าก่อนตายเนี่ยพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยรู้ว่าลุงคนนี้แกเป็นห่วงเรื่องเงินทำศพกลัวว่าเมียจะเป็นหนี้ก็เลยไปวิ่งเต้นไปหาเงินสงเคราะมาให้เมียพอได้ข่าวว่าลุงคนนี้ตายตาค้าง ก็เลยบอกเมียว่ารีบไปบอกลุงนะซึ่งตายไปแล้วนะบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วฉันไม่มีหนี้แล้วนะฉันได้เงินมาทําศพแล้วนะคุณป้าแกก็ไปนะไปพูดกับศพนะซึ่งตาเปิดอยู่ว่าเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องหนี้นะได้เงินมาซื้อโรงมาทําศพแล้วเสร็จ แ, แล้วว่าป้านย่แกก็ปิดเปลือกตาลุงนะคราวนี้ปิดได้นะอันนี้เหมือนก็ว่า สงบแล้วเพราะว่าหมดหมดห่วงแล้วไอ้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีความห่วงหาอาลัยเนี่ยมันตายสงบได้ยากนะถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่ได้ทําบาปนะจะไม่ผิดศีลแต่ว่าใจที่มีความห่วงหาอาลัยบางคนห่วงไม่ได้หว่หวงลูกห่วงหลานนะแต่ห่วงอย่างอื่นมีคุณลุงคนหนึ่งจะเป็นคนที่จิตใจดีมากนะชอบชักชวนคนไปสร้างโบสถ์ ไปทอดกระถิน่นทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามวัดชนบทในเขตทุรกันดานจิตใจประเสริฐมากนะทำอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นมะเร็งมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปนอนที่โรงพยาบาลระยะสุดท้ายเนี่ยแกมีอาการกระสับกระส่ายลูกหลานเห็นว่าแกเป็นคนมีธรรมะธรรมโมถ้าได้ฟังเทป ธรรมะพระสวนมนต์ก็น่าจะสงบแต่ปรากฏว่าเปิดเทศธรรมะพระสวนมนต์แล้วก็ยังไม่สงบยังกระสับกระส่ายลูกหลานก็แปลกใจจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงพอร่วงเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปพูดข้างเตียงข้างหูบอกผู้ป่วยว่าไอ้เรื่องไอ้โบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะฉันจะพวกเราจะช่วยกันดูแลสร้างให้เสร็จพอพูดเท่านี้แหละก็เหมือนก็ไปโดนใจ ลุงแกหายกระสับกระสายเลยแสดงว่าแกเป็นห่วงเรื่องสร้างโบสถ์ให้การสร้างบสถ์นี่เป็นของดีนะเป็นบุญกุศลแต่ถ้าจะตายแล้วเนี่ยนะก็ต้องวางนะของดีถ้าไปยุดติถือมั่นความดีถ้าปล่อยไม่ปล่อยไม่วางนี่มันก็สามารถจะทำให้เกิดความยุติตกกงังวลเกิดความทุกข์ได้เวลาใกล้ตายเนี่ย ต้องปล่อยวางให้หมดนะถึงจะตายดีได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะปล่อยวางไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าชีวิตนะตั้งแต่เกิดนะจนโ ต, จ น, ตจนเป็นหนุ่มจนแก่เนี่ยมักจะเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นแม้ทำดีแม้รักษาศีลนะแต่ก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมีอะไรมากระทบใจก็โกรธแล้วก็เก็บความโกรธเอาไว้นานๆข้ามวันบางทีข้ามอาทิตย์ข้ามเดือน เวลาของหายนะก็ยังเสียดายอะไรอาวรแม่ค้าทอนเงินผิดขาดไป5บาทนะก็เสียดายเนะี่ยข้ามวันก็ยังปล่อยวางไม่ได้มีใครมาตำหนิมาต่อว่าติเตียนก็เจ็บช้ำน้ำใจนะดแค้นเป็นเดือนนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะตอนจะตายเนี่ยมันก็ตายลำบากนะเพราะว่า ไม่ปล่อยไม่วางเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการทำความดีนะรักษาศีลแล้วเนี่ยต้องรู้จักรู้จักปล่อยวางด้วยนะการเจริญสติทำสมาธิภาวนานะอันนี้จะช่วยให้ใจเนี่ยปล่อยวางได้และแต่ไม่ต้องมาฝึกปล่อยวางแต่เฉพาะเวลาเข้าวัดเท่านั้นนะเวลาอยู่บ้านเวลาอยู่บนท้องถนนเวลาไปไหนเนี่ยก็ปล่อยวางบ้างนะเงินหายถ้าหาไม่ได้ก็ปล่อยวางซะ ใครเขาต่อว่าด่าทอนะก็อย่าไปเก็บเอามาทำให้คิดทับแค้นใจถ้าว่าเราฝึกจิตใจนะให้ปล่อยวางอยู่เสมอรวมทั้งพยายามนะมันนึกถึงคุณงามความดีและยิ่งถ้าเรามีพระรัต น, นาตรัยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งยิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์เนี่ยจะนำทางผู้ใกล้ตายพระองค์ก็จะชวนให้เขาเนี่ยระ ล, ลึกถึง พระรัตนตรยัยแลลึกนึกถึงความดีที่ได้ทําแล้วก็แนะนําให้ปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรักพ่อแม่ลูกหลานหรือว่าแม้กระทั่งสวรรค์ที่จะอยากจะไปในภพหน้าก็ให้วางซะและนอกจากการทําความดีการรู้จักปล่อยวางแล้วเนี่ยการที่หมั่นระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสมอนี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเวลาป่วยนะเราก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย เพราะเรามีพระรัตนตรัยเนี่ยช่วยอำนวยความสุขความสงบจะให้แก่จิตใจใเวลาจะตายาก็ความทุกข์ทรมานในร่างกายก็ไม่สามารถทำให้ใจเนี่ยวิตกกังวลได้ในสาพฤตการก็มีพราญคนนึงนะแกก็ฆ่าสัตว์เป็นประจำตอนจะตายเนี่ยก็เห็นเกิดนิมิตเห็นภาพหมา ที่ตัวเองเคยฆ่าเคยทำร้ายเนี่ยมันมาหลอกหลอนแกก็เอามือปัดป้องนะแล้วก็ร้องด้วยความกลัวแต่บังเอิญคนที่ดูแลอยู่เนี่ยนะเป็นพระเนี่ยเป็นพระสนนะถ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นลูกของพรานคนนี้รู้ว่าพ่อเนี่ยกำลังมีนิมิต ท, ที่จะพาไปอภัยก็เลยชวนให้เราลึกนึกถึงพระพุทธศาสนาพระสงฆจิตของผู้ตายเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดศรัทธาเกิดความอิ่มเอิขึ้นมาจิตเป็นกุศลนิมิต ท, ที่เป็นภาพหมาป่าดุร้ายก็กลายเป็นเทพธิดาแล้วก็ตายในขณะนั้นเองก็กลายเป็นว่าได้ไปเกิดในสวรรค์นะอันนี้เพราะว่าตอนตายเนี่ยนะได้ระลึกนึกถึงพระพุ้เปนธรรมประสงค์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถึงแม่จะอยู่ไกลวัดนะแต่ว่าก็อย่าให้ไกลพระรัตนตรัยนะ มันเราลึกนึกถึงอยู่เสมอนึกถึงในยามสุขนะและในยามทุกข์ในยามสําเร็จและในยามล้มเหลวนะในยามเจริญและยามเสื่อมถึงเวลาจะตายเนี่ยจิตมันก็จะนึกถึงพระรันาตนตรัยให้เป็นที่พึ่งของจิตใจช่วยนําพาให้ไปสงบได้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้ตายดีตายสงบนะแต่ว่ายังช่วยทําให้ การอยู่ของเราเป็นการอยู่อย่างมีความหมายด้วยถ้าเราทำดสีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอทำเมื่อไหร่ก็สุขเมื่อ น, นั้นแหละไม่ต้องรอให้สุขใกล้าตายถ้าเราจะปล่อยรู้จักวางอยู่เสมอเนี่ยมันก็ทำให้เรามีชีวิตที่สุขสบายปลอดโปร่งโล่งแจ่มใสไม่ใช่ว่าจะทำให้เราตายสนุกเท่านั้นแต่ทำให้เราอยู่แบบมีความสุขด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะผลขวาย ทำอย่างที่พูดมาได้เนี่ยก็เพราะเราลราลึลนึกถึงความตายของเราอยู่เสมอเระลึกนึกถึงคำของพระเจ้าที่ตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจนทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามางานศพแล้วเนี่ยนะก็ขอให้เราน้อมความจริงที่เกิดขึ้นกับคุณแม่สุ ก, กันให้มาสู่ตัวเราว่าสักวันนึงเราจะต้องตาย และตั้งจิตตั้งใจว่าก่อนที่จะตายนับแต่วันนี้ไปเราจะเร่งผลขวายทำบุญสร้างกุศลทาความดีนะแล้วก็จะมีพระรัตนาไตรเป็นที่พึ่งรวมทั้งรู้จักปล่อยรู้จักวางอยู่เสมอถ้าเราทาใจหรือตั้งจิตแบบนี้เนี่ยการมางานศพก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้บุญได้กุศลอย่างยิ่งนะอย่าอย่านึกถึงแต่เพียงแค่มาเลี้ยงพระมาถวายสังฆทาน หรือว่ามาทอดผ้าบางสกุลเท่านั้นให้มาเปิดใจเห็นความจริงเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทกับความตายและเราจะได้ใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่ามีความหมายรวมทั้งเตรียมตัวที่พร้อมจะตายอยู่เสมออัตมาก็ได้กรามพอสมควรน ะ, ะเพื่อป ร, ประกอบบุญกิริยาของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาพร้อมใจกันร่วมกันบาเพ็ญกุศล เพื่อทำหน้าที่ของลูกหลานและวิสาชิกชนให้แก่ผู้ที่ลงรับคือคุณแม่สุกันนะอ่อนตาก็ขอให้อบุญกุศลที่ทุกท่านได้บาเพ็ญในวันนี้นะจงเป็นพระปัจจัยนะอำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาให้มีจิต ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเป็นกุศลมีความเพียรในการทำความดีรวมทั้งเกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขแสมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายอีกทั้งขใหยบุญกุศลที่เราได้บาเพ็ญในวันนี้จงเป็นเพราะปัจจัยอํานวยวิปากสมบัติให้กับคุณแม่สุกรัรอ่อนตาเพื่อจะได้สวยสุขสมบัติในสัมภพ ตามควรแก่กะติวิสัยทุปการเทิง